ทั้แรกคิดว่าจะไม่อายุยืนยาวขนาดนี้ก็เนื่องจากว่ามันยังไม่หมดกรรมทางด้านร่างกายก็ต้องใช้กรรมก็ไปก่อนซึ <c> ่ง <oughs> ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็อยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงปฏิบัติธรรมสำหรับคนพิการตอนแรกไม่เข้าใจเลยเรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติไปทําไมแต่ใจนั้นอยากคนทุกเนี่ยมันมีประเด็นจุดใหญ่คือทุกที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ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 ก็นอนทำอยู่อย่างเงี้ยพ่อบอกว่าทำเล่นๆ <c oughs> อย่าไปทำจริงจังทาเล่นๆทำเล่นๆก็ดีไปอย่างนะเดยมันดูหนังไงดูหนังเวลาเราดูหนังเวลามันบูมันสนุกบางทีมันเครียดแต่เร า, าพักโฆษณาปป๊บในโอ๊ใจเรามันคลายการปฏิบัติธรรมเราทำเล่นๆและจิตใจมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ชาวพนมเาะแค่นี้นะ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 ทำเวลาหมอเขาเห็นแต่เวลาพยาบาลเผอผมก็ไม่ทำแนละ้วไม่รู้ทำไปทําไมดึงลอกดึงไปดึงมานี่ให้แขนมันแข็งแรงแต่มันก็เดินไม่ได้ทําไปคิดไปไอ้ทำอย่างนี้แข็งแรงที่มือแล้วขา ม, มันเดินไม่ได้เวลาพยาบาลเผลอผมก็ไม่ทำแล้วท่านหมองผมก็ขยับท่าน ห, หน่อยแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราต้องการจะฝึกจิตแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวทางร่ า, างกายด้วยพอทําไป น, น, นานๆเนี่ย จิตมันเริ่มสงบมันเริ่มมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ไปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปกับความคิด เ, เสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตปัจจุบันก็มีความกังวลแล้วมันจะมีกาลังใจอะไรที่จะทำแต่พอมาเจริญสติเนี่ยเอาสติผูกไว้กับการเคลื่อนไหวกับการทำงานของกายมันก็ลืมที่จะคิด ถึงกอดีอนาคตใช่ไหมใจมันเริ่มสบายแล้วพอใจสบายมันก็ขยันขยันทําเมื่อก่อนมือขวาข้างเดียวเนี่ยเคลื่อนไหวได้ถนัดมือซ้ายเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แต่ฝึกไปฝึกมาทําให้แขนซ้ายเนี่ยมันแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีผมไม่มีหน้าที่อะไรไม่ได้ทํางานอะไรฝึกทํางานทางจิตฝึกจิตเนี่ยทําไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ว่านอนทํำอย่างเดียวนะ เราเข้ายานที่จะหากิจการแม่งกับตัวเราเองฝึกสติไปกับอิรยาบทอื่นๆซึ่งสามารถที่จะค้นหาได้ในความพิการของเราตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวได้ก็จับมาเคลื่อนไหวเนยอย่างส่วนศีรษะนี่ก็พลิกไปพิกมาให้มันรู้สึกซ้ายบิดขวาให้มีสติอยู่กับตัวเองหาเรื่องที่จะรู้สึกตัวเนี่ยนอนกับพิบตายักคิ้วเล่นอะไรสารพัสอยา่าง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 เอาป้ห่มมาคลี่แล้วก็พับปห้ห่มย่างรู้สึกตัวไม่ได้หิวน้ำหรอกเห็นกระติกน้ำว่างก็ยกน้ำมันดื่มคือหากิจกรรมให้กับตัวเองทั้งวันดืมน้ำทานข้าวตอนแรกไม่รู้ว่านี้คือการปฏิบัติเพียงแต่เราอยากจะพ้นทุกข์ทางด้านจิตใจคือหาเรื่องให้มีกิจกรรมพอมือมันว่างแล้วใจมันจะวุ่นวายก็หาเรื่องให้มันว่างทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันเกิดผล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 เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนเด่นแต่ดูเึื่งแล้วใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความดีของตัวเอง่ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความดีเขาเรียกติดดีเนะี่ยคนที่ติดดีก็เป็นทุกข์นะเราทำดีแล้วทำไมเขาไม่ชมเชยเราใจเป็นทุกขนะ์ะเราทำดีแล้วทาไมมันึงไม่ได้าบไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญเพราะว่าติดดียังยึดมั่นถือมั่นอยู่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 ในขณะที่เรากําลังมีความสุขอยู่สุขอยู่กับอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตดูเถอะในความสุขนั้นมันจะมีความกังวลอยู่เดี๋ยวน้อยว่ากลัวความสุขมันจะหายไปอยากจะควบคุมความสุขนี้ให้สุขนานๆอยากจะหยุดโลกอะไรพวกนี้นะไอความอยากหยุดโลกนั้นมันทุกข์แล้วไม่ถึงว่ากําลังมีความสุขเนี่ยอยาให้ความสุขมันอยู่นานๆไม่อยากให้โลกมันหมุนไปมันจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่ความทุกข์นั้นเกิดจากอะไร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 8 4 0 0มืสี่พันพระธรรมขันธ์เปยนเสมือนยาทั้งตู้จะรักษาโลกเราเนี่เไม่ได้องหยิบยาขนาดไหนมีทั้งแก่ปวดท้องแก่ปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยผดผื่นคันเขามียาสารพัดอย่างในตู้นั้นเราจะเลือกยาชนิดไหนท่านมุปงังมียาอยู่ขนาดหนึ่งครอบจักรวาลเลยหยิบมาใช้ได้ขวดเดียวรักษาได้ทุกโลก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 ลงที่ยาขนานเอกคือสติตัวเดียวสติทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีสติอยู่แล้วตามสัญญาตยานสติหิวข้าวสติอ่วงนอนสติกลัวภัยแม้กระทั่งเสพกรามยังมีสติแต่ว่ายังไม่พัฒนาเราต้องมาพัฒนาที่ให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงจะใช้ประโยชน์แก้ปัญหาชีวิตเราได้สติเปรียบเสมือนกันชนชีวิต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 รู้ว่าเร า, ากำลังโทรศัพท์อยู่อย่ารู้แต่เรื่องราวอย่างเดียวรู้ว่าเร า, ากําลังโทรศัพท์อยู่มีตัวกําลังโทรศัพท์อยู่เวลาดูทีวีใช่หไหมหมดเนื้อหมดตัวไปกับเรื่องราวของทีวีสุขสนานหัวเราะเฮฮาไปกับทีวีไม่ได้ดูทีวีไปเป็นทีวีมันเป็นกับละครบางทีเป็นผู้กำกับด้วยตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้ชอบคนนั้นออกไม่แล้วตัวนี้หน้าเบื่อหน้าคนนี้เนี่ย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 การมีชีวิตอยู่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันบ่อยๆงานบางอย่างมันรีบคนมีสติก็รีบได้นะรีบได้บางครั้งต้องรีบเดินข้ามถนนเนี่ยโอจะเดินช้าๆหนอเนี่ยไม่ได้แล้วถึงข่าวเร็วก็ต้องเร็วแต่ว่าคนขาดสตินี่มันรีบรีบร้อนแต่คนมีสติเนี่ยรีบแต่รีบเย็นรีบอยู่ข้างนอกแต่ใจเย็นอยู่ข้างใน ค้นขาดสติรีบข้างนอกแต่ใจก็ร้อนรีบได้รีบเย็นงานไม่ค่อยผิดพลาดแล้วก็ไม่เครียดอยู่การทำงานงานจะไม่เครียดมีแต่ความผ่อนคลายแต่เครียดกับงานเนี่ยไม่เท่าไหร่เท่ากับเครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหเพื่อนร่วมงานทำให้เราเครียดมากสังเกตดูนะแล้ว<ส>ถ้าเรามีสติได้จะควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์เราได้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 ทำให้สุขภาพจิตดีก่อนและต่อมาสุขภาพกายก็ดีตาม